ได้เวลานี้มาอาตมาเดินทางมาจากอุบลตั้งใจเดินทางมาก็เพื่อจะมามาร่วมมาร่วมกับพวกเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเห็นเหตุการณ์แล้วว่าโอ้เหตุการณ์นี้มันน่าจะมาร่วมมากจริงๆอาตมาก็คิดว่าเอาเถอะใครเขาจะว่า มันมีความเข้าใจของสังคมอยู่ว่าการออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองเมื่อออกมาประชุมประท้วงแล้วเ่องของการเมืองแ้วเรื่องธรรมะหรือเรื่องของศาสนาผู้เป็นภิกษุเป็นนักบวชไม่ควรจะมายุ่ง น, นี่เป็นมนโนทัศน์ของคนทั่วไปเป็นความ คิดองรวมเป็นคอนเซปต์ของมโนของประชาชนทั่วไปเขาคิดอย่างนี้กันเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้กันเชื่ออาจามาก็ได้พูดมามากแล้วแม้แต่ครั้งชุมนุม อ, อยู่ที่ในหลายๆที่มาแล้วอยู่ที่หน้าสาประช า, ชาติก็ชุมนุมมาแล้วอยู่ข้างถนนราดดำเนินก็ชุมนุมมาแล้วแม้แต่ไปชุมนุมอยู่แต่แถวๆนี้แหละ ข้างๆสวนลุมนี่แหละตั้งแต่มาประท้วงหนึ่งเล่าเจ้าเล่าเข่าหลักทรัพย์อะไรโน้นอะไรนี้เป็นต้นเราก็มาแล้วจนมาถึงถนนราชดำเนินจนมาถึงสามประชาชาติจนมาถึงทำเนียบประชาทำเนียบข้างทำเนียบนะสะพานสมัยมรุดเชษเราก็ การเวทีนี้นเวทีนี้แล้วเราก็ทำมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นความคิดของอาตมาเชื่อมั่นว่าการที่เราจะมาช่วยประชาชนให้เข้าใจความรู้ให้มีความรู้และเข้าใจความจริงของสัตร ธ, ธรรมมันไม่ใช่ข้อละเว้นของนักบวชหรือของภิกษุ การจะมาให้สัจจะความจริงมาให้ความรู้นั้นมันไม่ใช่ข้อละเว้นจริงๆนะมันเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งด้วยที่เป็นหน้าที่ของภิกษุหรือของนักบวชที่จะต้องมาช่วยประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนั้นมีแก่นแท้จุดสำคัญ ของเนื้อแท้ของพุทธศาสนาเลยก็คือพระหุชนะกิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะนะซึ่งนั่นเป็นเนื้อแท้เป็นเป้าหมายสําคัญเป็นเนื้อจริงๆเลยเป็นเอตเซนส์ของศาสนาเลยนะเป็นแก่นแท้เป็นคอของศาสนาแท้ เมืออ่อจตมามั่นใจความจริงความรู้ของาศาสนาพุทธอย่างชัดเจนพวกนี้อย่างนี้อาตมาก็ต้องปฏิบัติส่วนใครจะเห็นขัดแย้งนะั้นอาตมาเห็นเป็นธรรมดาความเห็นต่างเป็นธรรมดาของมนุษย์ชาติอาตมาไม่มีปัญหานะเพราะอาตมาก็จึงปฏิบัติเหตุการณ์ครั้ง น, นี้อาตมาเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นหัวเลี่ยวหัวต่อของสังคมไทยที่กําลังเกิดความสับสน หรือเกิดความยังไม่เข้าใจแม้ที่สุดยังไม่เกิดความมั่นใจว่าเราควรจะทําอย่างไรอัตมาก็คิดว่าน่าจะมาแสดงความเห็นหนึ่งในฐานะที่เป็นประชาธิปไตยประเทศเราเป็นประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิในการที่จะแสดงความเห็นที่เป็นความเห็นอันปรารถนาดีเราก็ต้องทําอัตมาก็มาทําในฐานะที่พอทําได้อ่าก็เลยมา พอมาแล้วเขาก็บอกว่าเอาวันนี้ขึ้นได้ขึ้นบรรยายได้เลยอาตมาว่าเอาโปรแกรมมีแล้วมาพรุ่งนี้ก็ได้เขาบอกวันนี้ก็ได้แต่วันนี้ขอให้แค่หกโมงครึ่งนะได้วันนี้แค่ห้าโมงไปถึงหกโมงครึ่งไม่ได้สองชั่วโมงเต็มนะอาตมาก็ไม่เป็นไรแต่ถอนนี้ก็เอาอาอตมาจึงมานะัดบัดนี้นะ พราะนั้นก็ขอหมาะกันพวกเราโดยเฉพาะชาวอาโศกที่เป็นลูกๆูกนะอาตมาถือว่าชาวาโศกนี่เป็นลูกๆของอาตมาทาั้งนั้นทั้งสิ้นอาตมาขอแจ้งให้ทราบว่า เ, าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนบบัดนี้ที่พวกเราจะออกมาชุมนุมกันแล้วเนี่ยที่มาเรามาปักหลักชุมนุมประท้วงอยู่ที่ที่สวนลุมพินีขณะนี้เนี่ย มันเป็นการชุมนุมเรื่องของประชาธิปไตยที่แท้จริงถูกต้องตรงถูกต้องตรงกับความเป็นธรรมะด้วยเป็นธรรมมาธิปไตยอย่างชัดเจนด้วยเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่สุดด้วยมันเป็นแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการชุมนุมออกมาประท้วงกันนี่คือการมาแสดงคะแนานเสียงของอธิปไตย แห่งประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตยประชาชนนี่เป็นเจ้าของอำนาจในระบบประชาธิปไตยทุก ป, ประเทศแหละประชาชนจะเป็นเจ้าของอำนาจเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจก็มาแสดงอำนมาแสดงตัวจริงมาแสดงความเป็นเจ้าของอำนาจเจ้าตมาก็บรรยายมามากมายแต่คนไทยเราเนี่ยมัน ไม่เรียนรัฐศาสตร์หรือสอนรัฐศาสตร์กันไม่เข้าใจอย่างไรก็ไม่ทราบ <c oughs> ไม่ให้ประชาชนรู้ว่าตัวเองมีสิทธิในความเป็นประชาธิปไตยอย่างไรแล้วจะแสดงความเป็นประชาธิปไตยออกไปเมื่อไหร่ <c oughs> ไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไปให้นักวิชาการไปให้ผู้ที่ทันวัฒน์ทนรู้รัฐศาสตร์ สอนว่าประชาธิปไตยก็คือประชาชนจะต้องเป็นเลือกผู้แทนไปลงคะแนนเสียงผู้แทนแล้วผู้แทนนั้นก็จะมาใช้อานาจแทนเราแล้วประชาชนก็จบมาลงคะแนนเสียงแล้วก็จบอานาจนั้นก็มอบให้ให้ผู้แทนเอาอานาจนั้นไปปูยี่ปู้ยำอย่างไรก็ได้จึงเกิดเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ล้มลุกคลุกคลานมาปดบอปีแล้ว ก็เป็นประชาธิปไตยเละๆอย่อย่างนี้เพราะเข้าใจว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนคือประชาธิปไตยการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำงานทำงานใช้อํานาจอธิปไตยชั่วคราวซึ่งระ บ, บุกันว่าประมาณสี่ปีตามกฎหมายนะ แล้เชื่อวันนันแะคือประชาธิปไตยแล้วก็อ้างนักอ้างนาว่านี่คือประชาธิปไตยอัตมาก็อธิบายแล้วอธิบายอีกว่าไอ้นั่นนํามันประชาธิปไตยขั้นที่ห้าขั้นที่ห้ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อะไรเลยประชาธิปไตยไม่ต้องไปพูดเลยนะว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งที่ขออภัยขอใช้คําถูกถูกต้องเนละ เนการเลือกตั้งที่เลวขอใช้คำนี้แม้แต่การเลือกตั้งก็ยังเป็นการเลือกตั้งที่เลวใช่ไม่ได้เพราะใช้เลหเหลี่ยมใช้ซื้อเสียงใช้กลโกงใช้อำนาจบังคับอะไรต่างๆนาน า, นาสารพัดเลย <S <S ซึ่งมันใช้ไม่ได้มันโมฆะหมดได้มันผิดผิดหมดอาละเราไม่ต้องไปวิจารณ์ถึงขนาดนั้นวิจารณ์แต่หลักวิชาว่า เรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนได้ผู้แทนมาแล้วไปใช้อำนาจนั้นตัวผู้แทนนั้นคืออำนาจอธิปไตยขั้นที่ห้าขั้นที่หนึ่งของประชาชนประชาชนโ ด, ดยตรงเลยเป็เจ้าของขั้นที่หนึ่งเลยทุกคนมีสิทธิทุกคนเลยในประเทศไทยหนึ่งคนหนึ่งเสียงขั้นที่สองในหลวง อาตมาจะไล่ฟังนะนี่อย่าเข้าใจผิดนะที่ว่าอาตมาพูดอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องของการอธิบายอธิปไตยที่แท้จริงก่อนในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างนี้อันที่หนึ่งของประชาชนอันที่สองในหลวงอันที่สามกฎหมายรัฐธรรมนูญอ่าหรือ องรวมของคําว่ากฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายมาตราที่สามมาตราสามรัฐธรรมนูญซึ่งบอกว่ามาตราที่สองบอกว่าอํานาจเป็นของประชาชนเปิดเลยก็ได้นี่อาจจะมาติดมานี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ2550ซึ่งฉบับไหนๆก็แล้วแต่ในรัฐธรรมนูญไทยเป็นแบบนี้มาทั้งนั้นอะ มาตราหนึ่งสองสามนี้ไม่ได้แก้หรอกเพราะเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแค่ตมาเรียกว่าประชาธิปไตยสองขาประชาธิปไตยที่มีทั้งกายและใจไม่ใช่ประชาธิปไตยขาเดียวที่มีแต่กายไม่มีใจคือประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยขาเดียวไม่มีกาย ก็ไม่มีใจมีแต่กายอ่าธรรมาจะไม่วิเคราะห์ประชาธิปไตยขาเดียวธรรมาขออธิบายประชาธิปไตยสองขาเท่านั้นเพราะในประชาธิปไตยสองขานีนมีทั้งกายทั้งจิตวิญญาณคู่กันเราจะเห็นได้ว่าจิตคบวิญญาณของไทยเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดแม้แตหกก่หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ของกฎหมายสากลโลกสปรีมลอก็ยืนยัน ว่าพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นสุปรีมลเป็นรัฐาธิปัตย์ทั้งทุกๆประเทศเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์จะไปที่ประเทศไหนก็แล้วแต่เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยขาเดียวแม้แต่ไปในประเทศที่ไม่มีกษัตริย์ประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ เขาก็ต้องต้อนรับให้เกียรติแก่พระมหากษัตริย์นั้นสมเกียรติทุกประเทศทุกประเทศอันนี้เป็นสากลเลยต้องต้อนรับต้องให้เกียรติอย่างนั้นทุกประเทศเลยแม้ประเทศเขาจะเป็นประชาธิปไตยขาเดียวไม่มีประศัตรหรือประเทศที่เป็นคอมมนิสต์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะงั้นในหลักสากลของสุรีมลอเนี่ย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นอำนาจสูงสุดที่ระไว้ในฐานที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไปนะเพราะในรัฐธรรมนูญถึงบอกประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะระบุไว้งี้เลยข้อสองมาตราสองนประชาธิปไตยประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คำว่าประชาธิปไตยมันรวมประชาชนอยู huh ่แล้วประชาชนกับอำนาจเพราะฉะนั้นการปกครองแบบอำนาจที่ว่าประชาธิปไตยนี้อยู่ในมาตราสองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นหัวหน้ามาตราที่สาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแปลประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยแปลว่าอำนาจเป็นของปวงชนประชาประชาชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงใช้อำนาจนั้นก็คืออำนาจของประชาชนนั่นเองประชาธิปไตยเป็นผู้ใช้ทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลสามสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจของประชาชนนั้นแทนประชาชนผ่านสามสถาบันนี่คือมาตราสาม โดยมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ที่บัญญัติเอาไว้เนี่ยแหละกี่มาตราก็แล้วแต่แต่ละของแต่ละรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับที่ประกาศใช้ก็ให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้นๆนี่คือหลักฐานความจริงอันทีนี้มาพูดถึงความจริงกันอีกขณะนี้เนี่ยสถาบันสามสถาบัน คือสถาบันบริหารสถาบันนิติบัญญัติสภานิติบัญญั ต, สส ต, ติสถาบันตุลาการที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจนั้นผ่านสามสถาบันนี้ทางทางสามสถาบันนี้ทางบริหารเป็นไงไหวไหม อาทางบริหารก็อตาตมาก็ว่ามันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแหละทางสภาล่ะสภาล่ะเ ล, เละอาเละยิ่งกว่าขี้แพะแหลกเลยมันเป็นก้อนเป็นชิ้นเลยและยิ่งกว่าขี้แพะและยิ่งกว่าขี้ของคนท้องเสีย พูดให้มันน่าน่าน่ากลัวจะน่าเกลียดบ้างก็เถอะนมันสองสถาบันนี่ล้มยังไม่เป็นท่าเหลือสถาบันตุลาการก็ถูกเลื่อยขาเก้าอี้กันอย่างหนักหนาสาหัสอยู่ตอนนี้จะล้มไม่ล้มแหล่อยู่เนี่ยไอ้สามสถาบันหรือสถาบันเดียวก็แย่แล้วเนี่ถูกเลื่อยขาอีกแล้วจะไปหวังอะไร ประชาชนก็ต้องออกมาต้องออกมาแสดงอำนาจอธิปไตยของตนเองเป็นเวลาและเป็นโอกาสเป็นช่วงที่เราจะต้องปฏิบัติต้องออกมาแสดงตัวว่าเราต้องการอะไรรัฐบาลทำอย่างนี้ไม่เอานะจ๊ะหยุดนะก็ชี้บอกเข้าไปมาร่วมมือความเห็นร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียรของอำนาจของประชาชน ถ้าออกมาชี้ยืนยันสักล้านคนสองล้านคนห้าล้านคนไม่ต้องถึงสิบห้าล้านเสียงตามที่เขาเลือกตั้งขึ้นมาแล้วก็วคุยนะักคุยหนาว่านี่ฉันคะแนนเสียงที่เขาเลือกมันนะเป็นคะแนนเสียงของประชาธิปไตยนะเขาก็เอามายืนยันหลอกประชาชนผู้ไม่เข้าใจประชาธิปไตยอยู่วันแล้ววันเล่าคนก็เชื่อเขาอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็อ้างยิงอยู่อย่างนั้นน่ะ เพราะงั้นประชาชนที่ทุกวันนี้ที่เป็นเจ้าของอํานาจแท้เนี่ยไม่รู้นภาษีภาษาเลยเขาจะบุกจะรุกเขาจะล่วงล้าอํานาจเอาทรัพยากรของส่วนกลางเอาของประเทศเอาของชาติเอาของผู้คุณนี่แหละเอาของผู้คุณนี่นหะไปปู้ยี่ปู้ยำยังไงไปบริหารยังไงไปคิดอ่านจะทํำยังไงเขาก็ทําไปท้วงยังไงเขาก็ไม่ฟังท้วงยังไงเขาก็ไม่หยุด แล้วเราก็ดูได้พอปล่อยเขาปุยปุยยามงี้ดูได้งี้ผลก็คือสิบหายสิบค่ะคุณพี่เขาหมดสิจะเป็นเหลืออะไรอะ่ะนะเพราะฉะนั้นประชาชนจึงควรตื่นรู้กันสับ้างว่าประเทศไทยตอนนี้ได้รับการบริหารอย่างไร ที่เขาโฆษณาอยู่นั้นจริงหรือไม่จริงมันถูกต้องหรือเปล่าปรากฏการณ์จริงมันเกิดอย่างไรก็ต้องอ่านดูดีๆใช้ปัญญาบ้างนะและตรวจสอบดูซิว่ามันควรจะเป็นยังไงตอนนี้ยิ่งโอโหจะไปเอาเงินไปใช้ตั้งงบประมาณสองล้านล้าน ซึเป็นเงินอนาคตเงินอนาคตที่มีในคงครังเราไม่ว่าในเงินอนาคตไม่มีดันไปกู้มามีดอกเบีย้ยเสียดอกเบีย้ยซึ่งบอกรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องตามใช้ไปอีกห้าสิบปีจะบ้าเลยไม่มีฝีมือก็ต้องเลิกกันไปเสียอะไรเงี้ยนะ สรุปแล้วอัอัตามาจะไปพูดยืนยันผู้รู้ก็ยิ่งอัตามาฮเยอะแยะท่านพูดถูกต้องหมดละอัตามาก็มาทบทวนเท่านั้นเองสรุปแล้วก็คือประชาชนนี่จะต้องออกมายืนยันมาดูแลประเทศชาติเอาภาระว่าบ้านเมืองเรานี่จะปล่อยให้ผู้ที่เอาถือว่าตนเองไปบริหารและไปใช้อำนาจแทนเพื่อที่จะจัดการประเทศและก็ปุยีปุยยาไปตามอำเภอใจแบบนี้ จะควรปล่อยเข้าไปหรือหรือว่าควรจะต้องมายับยั้งบ้างเพราะนมันมีคนกลุ่มนึงหรือหลายกลุ่มอยู่ก็ทําต่างคนต่างทําเพราะฉะนั้นทางที่เราทําอยู่นี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่กําลังออกมาประท้วงหรือมาแสดงสิทธิและหน้าที่เป็นสิทธิเป็นหน้าที่นะของประชาชนผู้ที่ไม่แสดงสิทธิไม่ใช่แสดงหน้าที่นั้นใน รัฐธรรมนูญในกฎหมายมีบอกเอาไว้นะว่าประชาชนจะต้องมีสิทธิมีหน้าที่ดูแลในไปในหมวดหน้าที่ประชาชนนะ่ะนะาตมาจําไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ในมาตราเท่าไหร่มีหน้าที่มาตราเจ็ดสิบหรือหกสิบแปดหรืออะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะต้องออกมาสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นหน้าที่นะ เพราะงั้นผู้ใดออกไม่ออกมาแสดงสิทธิหน้าที่ประชาชนนี่ไม่ออกมาแสดงสิทธิหน้าที่มันมีสิ่งที่คุณอ้างอิงแย้งด้อย่างเดียวว่าฉันมีอิสระเสรีภาพที่ฉันไม่สนับสนุนก็ได้เท่านั้นเองแต่ในรัฐธรรมนูญนันระบุ น, ใ น, น, น, นะในมาตราดีน่าพศ50นีน่แหละมาตราอะไรบอกเป็นหน้าที่นะเพราะฉะนั้นประชาชน ที่ไม่ทําหน้าที่ผิดมาตรา157หรือเปล่ามันซอนนะอ่าเ็จะต่เพียงว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เท่า น, นั้นเองประชาช น, นาาการเมืองมามีการเมืองที่ถูกต้องกับการเมืองที่เละเทะทีนี้คนคิดในคนคิดว่าการเมืองเละเทะมันมีอํานาจเหลือเกิน เพราะฉะนั้นท่านอย่ากออกไปเลยสู้อำนาจเขาไม่ได้หรอกออกไปเดี๋ยวถูกอำนาจนั้นมันเล่นงานเอาหรือมันเอาไปใช้เป็นเครื่องมือเขาก็กลัวกลัวทำมาจะเสียก็เป็นความปรารถนาดีเป็นความเข้าใจที่ดีเป็นเจตนาที่ดีแต่อตมาว่าอตมาไม่ใช่คนคนนั้นคนที่คุณกลัวนะ่ะไม่ใช่อตมาว่าอตมาข้ามพ้นเขตนั้นแล้ว คือข้ามค้นที่จะถูกเขาเอาอำนาจนั้มาเล่นงานสองจะตกเป็นทาสเขาจะตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่มันเป็นการเมืองเสียหายการเมืองเละเนั่นนะอัตมาว่าอัตม า, าไม่ตกเป็นเครื่องมือเขาแน่สองอัตมาไม่เป็นเครื่องมือแล้วอัตมาก็ไม่เข้าใจเครื่องการเมืองเพราะอัตมามาทำงานการเมืองนั้นคือ สิ่งที่มารับใช้ประชาชนที่แท้จริงมาช่วยความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงอาตมาก็มาทำสิ่งนี้ด้วยสุดจริตใจไม่มีใครจ้างใครวานและไม่ได้มาทำเพื่อที่จะต้องหาเสียงเพื่อที่จะได้ลาบยศสันเสริญโลกีสุขเพื่อที่จะไปแย่งชิงอำนาจรัฐบาลไปแย่งชิงอำนาจการเมืองมาทำงานการเมืองแต่ไม่ต้องการ อำนาจทางการเมืองฟังให้ชัดนะอาตมามาทำงานการเมืองเนี่ยออกมาชุมนุมประท้วงในงานการเมืองแต่ไม่ต้องการอำนาจทางการเมืองเลยมาทำงานเพื่อประชาชนให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นมากว่าเก่าได้เท่าไรเท่านั้นไม่ตะกละไม่ตะกละเท่าที่เรามีความสามารถได้เท่าไรเท่านั้นดีไม่ดีไม่ได้เราก็รู้ว่าเราไม่มีฝีมือถ้าได้ก็ได้ไป เราก็เสียสละไปอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอบอกผู้ที่จะมาร่วมมือโดยเฉพาะลูกๆชาวโศกตอนนี้มีสิ่งที่อาตมาอยากจะบอกไปก็คือสิทธิ์เก่าจะสิทธิ์เก่าที่ไม่ใช่นักเรียนก็ตามสิทธิ์เก่าชาวโศกที่เคยอยู่ร่วมกับชาวโศกแม้แต่เอาแยกออกไปอยู่ข้างนอกตอนนี้เนี่ย อโศกต้องการไม่อยากจะใช้คำว่าชาติต้องการเดี๋ยวจะหาว่าไปโมเมที่จริงเขาชาติต้องการอโศกต้องการมาช่วยกันหน่อยเรามีงานอีกเยอะที่จะทำเพราะงั้นเราก็เลยตั้งใจกันว่าอ้าวเมื่อมาประท้วงนี่เราก็จะมาปฏิบัติการปฏิบัติการความเป็นประชาธิปไตยที่บอกแล้วว่าออกมาชุมนุมประท้วงนี่คือกิจของประชาธิปไตย ย้ำอีกหมื่นแสนล้านครั้งแต่ไม่พูดนั่มายถทางจายานพูดาอะไรพูดว่าประชาธิทประยคือออกมาแสดงตัวออกมาประดัชุมนุมรวมตัวกันโประท้เอามาชุมนุมกันประท้วงไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องประท้วงต้องออกมาชุมนุมประท้วงกันนี่คือตัวแท้เนื้อแท้ของประชาธิปไตยเลย แสดงตัวเมื่อไหร่คือตัวแสดงตัวอธิปไตยตัวแสดงอำนาจตัวนั้นคุณรู้จักอธิปไตยไหมของประชาชนในประชาชนทุกคนเป็นประชาชนออกมาแสดงอธิปไตยคือออกมาแสดงรวมตัวการแสดงประท้วงแสดงว่าสิทธิต้องการอะไรแหละต้องการสิทธิสิทธิของคุณก็ณณณณณมีสิทธิอันนี้ต้องการไม่เอานี่อย่างเงีย้ยนะอะไรก็แล้วแต่มือกอบอกพร่องเยอะแยะอัตมาจะขออ่าน อะไรนิดหนึ่งบทความของดรศาสตราจารย์ดรจีระหงศ์ดารม์มาตรา 70-71 ให้รักษาผลประโยชน์ของชาติก็ถูกแล้วไงก็ไม่ได้ผิดนี่ก็อ่านไปนี่มีตําราก็อ่านไปอยู่แล้วนะแจ้งมาก็ถูกต้องแล้วรักษาผลประโยชน์ของชาติก็ตอนนี้เรากำลังมาปะท้รักษาผลประโยชน์ของชาติเขากำลังจะเล่นเล่นแลบแลท่าไม่ว่าจะ ปุยผุยยำนี่ชัดชัดอยู่เนี่ยนะะบทความของศาสตราจารย์ด ร, รจีระหงรดารมหงรดารมลงในแนวหน้าวันที่สิบสามนะมสิบสามเมษายนนั น, นะนะเขียนว่าตั้งแต่เมษายนพศห้าหนะบอกว่าอัตมาจะอ่านคร่าวๆตัว บ, บทความอัตมาจะไม่อ่าน าอาตมาจะอ่านว่าขอยกตัวอย่างผู้นำสามคนมาเปรียบเทียบให้ผู้อ่านศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งโดยใช้แนวคิดแปดเคสห้าเคสของผมของศาสตราจารย์ดรจิร์เนี่ยและนำไปวิเคราะห์ดูว่าจะเป็นผลเสียอย่างไรต่อคนไทยแปดเค K ก็คือ knowledge นะนะ K knowledge 8 K ก็คือ8ข้อ5 K ก็คือ5ข้อ8 K นะก็มี apostrophe S นะ K คือพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมีมนุษย์มีหนึ่ง human capital นะทุนมนุษย์ 2. intellectual capital ทุนทางปัญญา 3. e t h i c a l capital ทุนทางจริยธรรม 4. happiness capital ทุนในทางความสุข 5. social capital ทุนในทางสังคม 6. sustainable capital ทุนทางความยั่งยืนเจ็ดิจิตอลแคปิตอลทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ8 t a ทา n เลนต์ทาเลน์แคปิตอลทุนทางความรู้ทักษะและทัศนคตินั่นนี่คือ 8K ส่วน 5K คก็มีหนึ่งครีเอทิวิตี้ Capital, นะทุนแห่งการสร้างสรรค์สองโนเลจคทุนทางความรู้สามอินโ t เวชนคทุนทางวัฒนวัตกรรมสีอิโมชนอลคทุนทางอารมณ์ห้าคัลจรคิตทุนทางวัฒนธรรมนะ นี่เป็นเรื่องของพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถ้าเผอว่าเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วเราได้ได้ปฏิบัติหรือศึกษาประพฤติกันจริงๆก็จะเกิดการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์โดยเฉพาะในโลกทุกวันนี้เป็นโลกโลกาภิวัตแล้วมันจะไปได้ดีเลยทีนี้ ดรศาสตราจารย์ดรจีราก็เลยยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมก็เลยจะยกตัวอย่างบุการบริหารปกครองนี้ใช้เคต่างๆพวกนี้แปดเคหรือห้าเคนี่อย่างไรแล้วมีผลอย่างไรก็เลยยกมาเป็นดุนเลยยกตัวอย่างบุคคลเช่นคนแรกคือมเกเรตทัชเชอร์จุดแรกที่เด่นนะมันจะเด่นจุดด้อยของการบริหารจุดแรกที่เด่นคือทุนทางจริยธรรม ทุนทางปัญญาใน 8K คือมองอนาคตอังกฤดว่าต้องปฏิบัตินะต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปวิธีการบริหารประเทศลดบทบาทของสหภาพแรงงานมองอนาคตไกลว่าอังกษดต้องมีระบบเศรษฐกิจเสรีพึ่งการตลาดสร้างศักยภาพการแข่งขันและที่สาคัญก็คือมองผลประโยชน์ในระยะยาวของประเทศเป็นหลัก มีการพูดถึงภาวะผู้นำของแทชเชอร์ในหลายด้านแต่สองเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือด้านแรกคือกล้าทำอะไรที่รุนแรงแทชเชอร์นะกล้าทำอะไรที่รุนแรงและอาจจะเสียคะแนนแต่ทำและยอมรับผลที่เกิดขึ้นนี่เรื่องขกล้าของแทชเชอร์เช่นยอมเสี่ยง เสี่ยงต่อการแพ้การเลือกตั้งนี่แทชเชอร์ทำแต่โชคดีกลายเป็นโชคดีของแกโชคดีที่ได้รับเลือกกลับมาเพราะปัจจุบันนั้นนักการเมืองในโลกส่วนมากกลัวเสียคะแนนจึงเน้นประชาชนเห็น ไ, ไหมเอาใจผู้เลือกตั้งไม่สร้างนโยบายที่เสียคะแนนนิยมแต่แทชเชอร์แกกล้าตัวอย่างของแทชเชอร์ คือถ้าแพ้ก็ต้องยอมเพื่อแลกกับน โ, กนโยบายปฏิรูปเพื่อผลระยะยาวของอังกฤษ น, นี่ก็เลยเทชเชอร์ก็เลยได้รับฉายาว่า Iron Lady <c oughs> ยิงเหล็กนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือมีความมุ่งมั่นสูงเทชเชอร์เนี่ยกล้าหาญอดทนและแข็งแกร่ง เทชเชอร์ก็เลยถูกขนานนามว่ายิงเหล็กไอออนเหล่ีอย่างการจะลดบทบายของสาภาพแรงงานในอังกฤษทำได้ยากแต่เทชเชอร์ก็ทำได้สำเร็จนะในทางวิชาการวิธีการแบบนี้เรียกว่า conviction style คือเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและเดินหน้านะเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและเดินหน้า ถึงจะมีคนคัดค้านหรือเสียคะแนนก็ตามเชื่อในตัวเองแต่ในโลกการเมืองปัจจุบั น, นีนส่วนมากอย่างเน้นแบบ consensus style คือจะทําอะไรก็กลัวเสียคะแนนทุกๆฝ่ายเห็นชอบได้มากกว่าเสียแต่อาจจะเสียหายในระยะยาวเพราะจะแน่ไปรักษาคะแนนเสียงอยู่แต่เสียหายในระยะยาวเช่นปัจจุบันนี้ที่ทํากันอยู่ นาการเมืองไทยเป็นแบบนี้ทั้งักทั้งนั้นเลยยังไม่เคยเห็นหนาการเมืองไทยกลุ่มไหนเลยที่จะทำกันเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าไม่กลัวเสียคะแนนมีพักเพื่อฟาดินพักเดียวทำาเพราะอะไรเพราะพักเพื่อฟาดินไม่เคยล่าคะแนนเสียง ถ้านักการเมืองยังล่าคะแนนเสียงอยู่ไม่ใช่ประชาชนที่ปไตยนี่เป็นอุดมคติของพรรคเพื่อฟ้าดินเลยพรรคเพื่อฟ้าดินขออภัยนะไม่อยากจะพูดหรอกพูดเดี๋ยวมันจะหาโฆษณ า, าโฆษณาพรรคเพื่อฟ้าดินแต่อันนี้เป็นเป็นปอะไรเรียกอะไรที่เขียนส่ ง, งกรกตมาใช้ใบ เออไม่ใชไ่ไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานการประชุมเป็นไม่ใช่มาโทรมันแหม่มันอยู่เนี่ยไอของธรรมนูญของพรรคมาไม่ใช่ในโยบายเท่านั้นนะมันธรรมนูนะอ ะ, อะเขาบังคับแล้วเขาเรียกโดยพท์ว่าอะไรอะ่ะนะ นั่นน่ะข้อบังคับพรรคอะไรเนี่ยของของบอกไปเลยบอกข้อบังคับมีนโยบายแบบนี้อะไรอะไรเขียนไปเรียกอะไรอนะ่ะแม่อตมา ก, กน็นั่นน่ะบอกไปเลยว่าพรรคเพื่อฟ้าดินนี่แม้จะส่งส่งพูดแทนลงไปเลือกตั้งก็จะไม่หาเสียง เพราะถือว่าการยังหาเสียงให้ตนเองอยู่นั้นยังไม่ใช่ประชาธิปไตยยังไม่ใช่ถ้าจะลงเลือกตั้งก็บอกให้ประชาชนรู้เท่านั้นก็จบแล้วหน้าที่ของไปให้ประชาชนรู้คือหน้าที่ของกรกะตกรกะตก็บอกประชาชนซิว่าพรรคนี้ส่งใครเลือกรงเลือกตั้งบอกเขาให้ประชาชนรู้หน้าที่ของประชาชนก็เป็นเลือกสิว่าใครตัวประชาชนที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นจะไปหาเสียงทําไม ไปหาเสียงมันก็เป็นการอยากได้เป็นการต้องการเสียงคะแนนเสียงก็คุณไม่มีคะแนนเสียงคุณก็เลยมามอมเมามาประเลาประลมมาครอบงําหนักเข้าซื้อเสียงจะบ้าเลยก็พอจะเลือกตั้งก็ให้ประชาชนก็ใช้อิสระเสรีภาพเขาเลือกสิ ถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานให้ประชาชนเขารู้จักคุณคุณเป็นของประชาชนคุณเป็นคนสาธารณะทํางานเพื่อประชาชนมาเขารู้จักคุณดีเขาก็เลือกคุณเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ใช่เขาก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นประชาธิที่วนี่หมาหลงหิ้วกระเป๋าเงินมาหมาหลงมาจากไหนก็ไม่รู้มาอยู่เขตนี้หิ้วกระเป๋าเงินมาแล้วก็เอาเงินหวานหัวคะแนนไปหาเสียงและคุณก็ได้มาเป็นูผู้แทน นั่นเรือประชาธิปไตยแบบนั้นเหเห็นไหมว่านี่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังชัดๆง่ายๆเพราะฉะนั้นในความเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยของพรรคเพื่อฟ้าดินหรือชาวชา ว, ชาวอโศกนี้จะไม่เหมือนกับประชาธิปไตยที่ทั่วไปก็ปฏิบัติอยู่แม้นักประชาธิปไตยนักรัฐศาสตร์เขาจะบอกว่าไอ้พวกนี้เพอ้อฝันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีโอกาสนั้นก็ไม่ว่า เขาจะหาว่าอย่างนั้นจะเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่ว่าแต่เราจะ ท, ำทํำพิสูจน์เพราะฉะนั้นตั้งแต่พรักเพื่อฟ้าดินตั้งมาในสิบกว่าปีนี้เลื่อนตั้งแต่พักเบอร์สี่สิบหกเดี๋ยวนี้อยู่เบอร์เก้าเป็นพักที่เก้าในพรรคการเมืองของประเทศไทยขณะ น, นี้เลื่อนกันมาอยู่พรักที่เก้าแล้วนอกนั้นก็ถูกล้มละลายไปเองมั่งถูกขับออกมั่งกรกตปลดทิ้งมั่งอะไรมั่งเหลือ ขึเลื่อนขึ้นมาทับภาคที่เก่าแล้วโดนคนไม่รู้จักเพราะเราไม่ได้เคยหาเสียงแต่ประชาชนคนที่เราได้ทํางานด้วยเขารู้จักพรรคเพื่าดินแต่เราไม่เคยออกชื่อหนะ้าเราก็ทํางานไปอย่างนั้นเราไม่เคยประกาศชื่อแต่เราทางานจริงกับประชาชนเราถือว่าเป็นการเมืองภาคประชาชนเรารับใช้ประชาชนเราทํางานอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้น อันนี้ก็คืองานหนึ่งของประชาธิปไตยที่พักเพื่อฟ้าดินก็มาทำแต่ไม่เคยติดป้ายตัวหัวหน้าพักก็มาทำนาข้ขาธิการพักก็มาทำไม่บอกชื่อคุณเห็นหน้าถ้าบอกว่าอ๋อเพราะเราไม่บอกปล่อให้งงซะอย่างนั้นนหะจริงไม่ใช่เล่น psychology อะไรหรอกกับเรื่องจริงเราไม่ต้องการที่จะมาหาเสียงแต่เราทำงาน เพางั้นเราทำงานโดยตรงเพราะฉะนั้นในความเข้าใจของคำว่าการเมืองนี่แหละมันเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องสำคัญนะเอาเดี๋ยวอ่านบทความนี้จบซะก่อนเนี่ยจะหมดเวลาเขาให้ถึง8ปดโมงครึ่งนะคิวต่อๆไปเขาจะมีอะไรอีกเยอะนะต่อมาก็เขายกตัวอย่างคิมจองอึนคิมจองอึนเกาหลีเกาหลีเหนือนะดรสตาจาร์ดรจีระบอกว่าการเป็นผู้นาของเขา หน้าวิตกตรงที่ว่าเข้าขาดทุนทางปัญญาคือยังอายุน้อยและขาดประสบการณ์คือเน้นที่ประเทศของเขามองมุมเดียวการขาดทุนทางปัญญานำไปสู่ทุนหายณนะการขาดทุนปัญญาเนี่นนำไปสู่ความหายณนะระดับโลกได้จากความไม่รอบคอบและไม่แตกฉานของเขา จึงนา ม, มาซึ่งการตัดสินใจผิดแบบเข้าข้างประเทศของตนมากเกินไปประเด็นที่สองก็คือขาดปัญญาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไม่รับผิดชอบว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ขาดทุนอีกทุนหนึ่งก็คือทุนทางจริยธรรมเพราะมีการลงทุนทางการทหารมากที่สุดแต่ประชาชนชาวเกาหลีเหนือกว่าสองล้านคนอดอยาก สีสองคนแล้วนะส่วนคนที่สุดท้ายคือคุณทักษิณหนึ่งัชเชอร์สองอคิมจองอึนสามคุณทักษิณศาสตราจารย์ด ร, ดรจิราบอกว่าผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นคนเก่งมากๆในสองทุนคือ creativity CAPITAL ทุนในการสร้างสรรค์กับอ n น o v a ว i o n c a ค i t a l ทุนทางนวัตรกรรมเพราะมีความคิดใหม่ๆทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจแต่ขาดทุนทางจริยธรรมขาดทุนทางเอติกขาดทุนทางจริยธรรมเพราะทำทุกอย่างไม่โปร่งใส เพื่อตัวอจะกระลบตรงชาติแล้วพอดีอ้าวเตรียมตัวเลยกระลบตรงชาติตัดได้เลยอ้าวทีนี้เราก็มาต่อกันทางนี้นะอเม่อกีนี้อาตมาบอกไปว่าพักเพื่อฟ้าดินนั้นอยู่อันดับที่เก้า ข่าวล่ามาด่วนแจ้งมาว่าอาตมาพืดผิดตอนนี้พักเพื่อฟ้าในนี้นนอยู่อันดับที่ 7. เจ็ดเลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับที่เจ็ดแล้วสงสัยสักวันหนึ่งอยู่อันดับที่หนึ่งแงเลยเนี่ยเอาจริงนะแต่พรักเก่าแก่ที่สุดก็ต้องหลุดออกไปก่อนนะถึงจะอยู่อันดับหนึ่งได้ อแต่เราไม่ได้ไปคิดว่าเราจะไปบังคับหรือว่าไปกำจัดใครเ้าหน่ามันไปไปตามธรรมนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าตบมามาทําอะไรไม่ไม่ดีไม่งามไม่ใช่นะอ้าวมาต่อน่ะต่ออ้าวอันนี้เอาคุณไปเนี่ยใครหน้านี่มี ไ, ไฟอะไรของใครนี่ไฟไฟของใครเนี่ยเล่นเด่นไอ้โทรศาวพวกไอ้ใครนี่มี ไ, ไฟอะไรอะไรวันนี้ปิดก่อนได้ไหมเครื่องอะไรของใครในที่นี้ ไม่งั้นมันมากวนมีเขาแล้วมันจะดับอยู่เรื่อยเลยเพราะว่ามันมากวนใครมีช่วยปิดก่อนได้ไหมอ่าไฟไป ไ, ไฟที่ถือว่าธรรมะอะไรธรรมะเฉยๆที่ชื่อว่าไม่ต้องเข้าไปถึงเออที่ว่าธรรมะปิดอันนั้นว่า ง, งั้นอ่าเอาต่ออ่าของคนสุดท้ายของคุณตักสินเนี่ยนะดร เจระบอกว่าผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นปคนเก่งมากในสองทุนคือ creativity capital กับ innovation capital นทุนแห่งการสร้างสรรา์ทุนทางนวัตกรรมเพราะมีความคิดใหม่ๆทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจแต่ขาดทุนทางจริยธรรมเพราะทำทุกอย่างไม่โปร่งใสเพื่อตัวของเขาและครอบครัว และขาดทุนทางอารมณ์อีกอันนึงขาดทุนทางอารมณ์เอ๊ทางอารมณ์ก็ต้องอิโมชันดิทำไมมาบอกว่าครีเอทิฟิตี้อ๋อเขามีอันนี้แต่เขาขาดอันอื่นทางอิโมชันอิโมชนลเขาก็ขาดเนา ะ, ะขาดทุนทางอารมณ์คือเป็นผู้นำที่ขาดสติในการควบคุมอาจจะมีความแค้นและอาฆาตต่อคู่ต่อสู้ไม่ปล่อยวาง หากถูกกระตุ้นจากคู่แข่งจะขาดการควบคุมทางอารมณ์จากมุมมองในเรื่องดังกล่าวข้างต้นผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็ น, น้อยและหวังว่าผู้อ่านจะนําส่วนดีๆของผู้นํามาใช้และดีกเกลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีเช่นประชาธิปัตย์เขานํานโยบายบางอย่างของคุณทักษิณมาใช้บริหาร ความหลากหลายของคนเก่งในหลายๆกลุ่มในพักประชาธิปัตย์มีคะแนนในภาคอีสานและภาคเหนือนด้วยโดยเน้นเรื่องของความโปร่งใสซึ่งพรกประชาธิปัตย์มีมากกว่าส่วนคุณทักษิณก็คงต้องเอานโยบายบทเรียนคุณมะกเรตทัชเชอร์มาใช้คงเข้าใจแล้วนะคือมีความกล้าหาญทางการไม่กลัวเสียคะแนนอันนี้เด็ด นะมั่นใจในตัวเองในการที่จะทำสิ่งดีๆให้แก่ประชาชนอันนี้สิคุณทักษิณ น, น่าเอามาใช้หรือแม้อะไรตัวแทนตัวแทนของคุณทักษิณต่ก็ควรจะต้องเอามาใช้นะแต่นี่ดูเหมือนมันจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรต่างกันนะ <c oughs> นะ เพราะงั้นส่วนคุณทักษิณก็คงต้องเอาโนโยบายบทเรียนของคุณมักเกเรตแทชเชอร์มาใช้เช่นนโยบายจำนำข้าวคือหายนะแน่ๆก็ควรเลิกตอนนี้ดีกว่าเลิกเมื่อชาติล่มจมแล้วหรือหยุดกู้สองล้านล้านบาทก่อนก่อนที่จะหายนะด้วยหนี้ท่วมประเทศคุณทักษิณฟังหรือเปล่า ดรจิระจบจบบทความตรงแคนี้คุณทักษิณฟังหรือเปล่าอาตมาเขาไม่พูดต่อฟังหรือไม่ฟังอาตมาไม่รู้นะอาตมาก็จะมาพูดต่อในเวลาที่เหลืออีกว่าเรื่องของสังคมคราวนี้เนี่ยเราออกมาชุมนุมนี้แล้วอาตมาก็เห็นว่านี่เป็นงานทํางานการเมืองที่ควรทําจึงขอประกาศไปสู่ประชาชนว่า เราจะทำงานการเมืองคือจะทำงานการชุมนุมบอกแล้วว่านี่เป็นการแสดงความเป็นประชาธิปไตยหรือการแสดงอธิปไตยของประชาชนสดๆอันดับหนึ่งของประชาธิปไตยที่อาตมาไล่เลียงไปให้ฟังไปบ้างแล้วถึงสี่ห้าขั้นที่จริงมันมากกว่า น, นั้นอีกแต่ว่าเอาถึงห้าขั้นขั้นที่ห้าคือได้ตัวผู้แทนตัวผู้แทนนี่คืออานาจระดับที่ห้า ซึ่งมาทำกลางอยู่ทุกวันนี้แม้แต่จะบอกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประชาธิปไตยระดับที่หกขอภไยรัฐมนตรีเป็นระดับที่เจ็ดนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจระดับที่หกต่อจากสอสอที่รับเรื่องได้และเ้าก็ไปโหวตเสียงตั้งนายกนายกก็ได้มาจากผู้แทน เป็นระดับที่หแล้วผู้แทนก็เข้าไปนายกก็ไปตั้งรัฐมนตรีอีกทีนึงรัฐมนตรีก็ไปอำนาจระดับที่เจและมาทำกลางในประเทศไทยเนี่ยมันต้องใช้เสียงของผู้กองปูกเข้มเฮ้ยต้องให้จ่าชาตินั่ น, น, นเป็นผู้พูดมันเยเหมือนเฮ้ยอะไรกันกลางไม่เข้าเรื่อง อำนาจระดับที่หมู่ลางที่มาเพราะงั้นประชาชนต้องรู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของอธิปไตยอันดับที่เท่าไรอันดับที่เท่าไรจ้ารู้สบัง <c oughs> แล้วก็ทำเฉยเมยแล้วก็ทำให้กระปุยปูยำอะไรอยู่นั่นแห ล, ละแล้วมันจะไปเีเล่เหรอ มันก็ไม่เหลือเดี๋ยวก็หมดเลดินะเพราะฉะนั้นอาตมาที่บอกว่าจะมาชุมนุมกันแสดงความเป็นประชาธิปไตยขั้นที่หนึ่งณสวนลุมแห่งนี้ไปอีกแล้วยาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดนะเราจะทำดังนี้ เพราะฉะนั้นทุกคน go on and see out แปลเป็นไทยว่าดูไปสันส้นๆ go on and see out แปลว่าดูไปไม่ใช่ดูไปจะไปตัดฐานตัวปอนะ่าไปตัดฐา น, านาตันปอนะดูไปนะ go on and see out see through แแต่ว่า see through มันดูไม่ค่อยดีมันไปไปรถโทษเดียวกันจะฝังสแสลงไปหา <c oughs> ทางกามไม่เอาแต่ความหมายเดียวกัน see through see out นะคือเราจะไปให้ถึงที่สุดเลยไม่ให้แค่ครึ่งซอย see out จะดูไปให้ถึงที่สุดแล้วเราก็ดำเนินต่อก่อนดำเนินไปเรื่อยๆเลยเราจะดำเนินไปเรื่อย เพราะฉะนั้นจงทราบไว้ว่าเราจะชุมนุมกันต่อไปเพื่อทางานประชาธิปไตยเพื่อทำงานประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ขอบอกว่าที่นี่เราจะร่วมมือกันกันกบคณะเดิมคือกองอะไรกองทัพประชาชน กองทัพนลละกองทัพประชาชนเอาละไม่ต้องไปพูดยาวกว่านั้นกองทัพประชาชนกับกองทัพกองทัพธรรมจะออกมาชุมนุมกันร่วมกันไปที่นี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดนะเพราะฉะนั้นความจริงที่เราจะไขก็คือ ความรู้ทางประชาธิปไตยที่ควรจะต้องรู้กันที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ประชาริปไตยบ้าๆบอๆเล่เล่เท่เทประชาธิปไตยที่เลวแหลกอย่างวันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ขอยืนยันประชาธิปไตยไม่ใช่การแสวงหาอํานาจไม่ใช่การที่จะมาล่าลาบยศสรรเสริญองค์กรสุขงานประชาธิปไตยของบุคคล งานประชาธิปไตยของบุคคลบุคคลใดทําการเมืองทํางานประชาธิปไตยคือผู้เสียสละผู้ทําเพื่อประชาชนขออ่านนิยามกับความเป็นการเมืองประชาธิปไตยแท้ๆ ท, ที่อธตมานิยามไว้ตั้งแต่มาชุมนุมอยู่ที่นู้นเขียนเป็นแผ่นเนี่ยเขาถ่ายไว้ติดไว้แต่สิบข้อเนี่ยอาจจะไม่เหมือนนักรัทธศาสตร์ไม่เหมือนเหมือนใค ร, ใครอธิมานิยามเอง อาตมารับผิดชอบว่าความถูกต้องอันนี้หรือผิดผิดหรือถูกต้องอาตมารับผิดชอบเองการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแท้ๆหนึ่งการเมืองต้องมีคุณธรรมเป็นกุศลเพราะงั้นอาตมาจะพยายามใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องธรรมะหรือคุณธรรมเอามาบรรยายเอามาให้ความรู้เอามานำพาทำกันโดยจะใช้สถานที่นี้เป็นที่นําธรรมชาวอุโศกเราจะนํำทำกันทั้งนั้นเลย ทำธรรมะเป็นหลักส่วนการเมืองเป็นรองสําหรับชาวโซเราธรรมะจะเป็นหลักการเมืองจะเป็นรองอสองนักการเมืองต้องรู้จักประชาธนปฏิทยที่แท้เพราะงั้นทุกวันนี้นักการเมืองมันไม่รู้จักประชาชนที่ปฏิทัยที่แท้แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องเครื่องมือหากินไปเล ะ, ะมันจึงเลกไปหมดหอตอนนี้สาม น t t ักการเมืองต้องสอนหรือเผยแพร่ประชาธิปไตยให้ให้กับประชาชนนักการเมืองต้องสอนหรือเผยแพร่ประชาธิปไตยให้กับประชาชนและประชาชนก็ต้องขนขไถลขนขวายศึกษาความเป็นประชาธิปไตยนี่ก็สาสี่นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตนเองได้แล้วฟังอดีในประเด็นนี้ นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่พึ่งตนเองได้แล้วไม่ใช่คนที่จะมาเกาะการเมืองกินนี่ผิดเลยนักการเมืองมาเกาะการเมืองกินนี่มันคือหมัดคือเมนคือตัวเลนอ่าตัวหมัดตัวเมนตัวเลน่นอ่าและเป็นเป็นอย่างนั้นจริงไหม สี่นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตนเองได้แล้วห้านักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษนักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษเพราะนักการเมืองดีๆมักน้อยสันโดษทั้งนั้นเลยที่มีมาไม่ว่าจะเป็นลินคอนไม่ว่าจะเป็นคาร์ทีอ่านอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างชัดๆนะย่อเยอะแยะนักการเมืองที่เป็นตัวอย่างมักน้อยสันโดษพก นักการเมืองต้องไม่ทำงานการเมืองเป็นอาชีพหากินนักการเมืองย้าเลยนะนักการเมืองต้องไม่ทำงานการเมืองเป็นอาชีพหากินเจ็นักการเมืองต้องเป็นงานอาสาเสียสละนักการเมืองจะเป็น wow. งานอาสาเสียสละ8ปนักการเมืองจะต้องไม่มีอคติเก้า นักการเมืองคือผู้มีอิสระแท้จริงไม่เป็นทาสโล ก, กธรรมโดยเฉพาะไม่เป็นทาสพรรคจริงยิงประชาธิปไตยเนี่ยยิงแท้เลยไม่เป็นทาสพรรคแต่ไปพูดคําันนี้ก็ไม่ได้คําันนี้เขาเปทาสพรรคแน่นอนสิบข้อสุดท้ายการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย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 มาช่วยกันผู้ที่มีความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองก็เราก็จะมีตารางเวลาที่จะผู้ที่จินดีจะมาช่วยกันซึ่งก็ขอขอสงวนว่าพวกเราก็จะค่อยช่วยกันคณะของเราจะคช่ว ย, ยกันดูแลว่าผู้สมควรที่จะขึ้นม า, าช่วยกันให้ความรู้แก่ประชาชนก็มาใช้ที่นี่เราก็จะค่อยๆกระจายกันไป เราก็จะชุมนุมประท้วงกันอยู่ที่นี่ตามที่เป็นในวันเวลาที่เป็นอย่างนี้ที่ทํากันอยู่มาเนี่ยหนึ่งจะขยายเวลาด้วยจะหดเวลาสื่อสารไปทําไปเพราะว่าเรามีสื่อสารมีโทรทัศน์ของเราอย่างน้อยก็โทรทัศน์ของเราแล้วก็โทรทัศน์เพื่อนๆโทรทัศน์เพื่อนๆที่จะเกี่ยวสัญญาณของเรานี่ออกไปเผยแพร่ ก, กันอยู่ที่เท่าตามที่เข า, าต้องการที่จะทําหรือมีเวลามีโอกาสที่จะช่วยกันเพื่อเผยแพร่ความรู้ความจริงเนีน้ออกไปสู่ประชาชน ก็ร่วมกันทำเราจะทำไปเรื่อยๆยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดหรือดูไป go on and see out ดูไปอย่างนี้แหละงานไปเรื่อยๆนี่เป็นจุดมุ่งหมายของเราก็ขอย้าอีกทีหนึ่งขอซ้าอีกทีเมื่อชาวโศกตอนนี้เราจะทำงานนี้เป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาตั้งหลักอยู่ที่นี่ชาวโศกเรามาตั้งหลักอยู่ที่นี่ ทําอาหารเลี้ยงกันไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ได้ละเว้นแล้วก็ดูแลกันไปอย่างที่เราเคยทํามาแล้วเราก็มีความชํานาญพอสมควรแล้วเราก็จะทําไปเรื่อยๆโดยที่เราขอยืนยันว่าเราจะไม่ไปรุกรานใครเราจะไม่ไปรบราท่าฟันกับใครเราจะทําหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญทําตามหลักเกณฑ์ใครมาทําร้ายเราผิดกฎหมาย แม้แต่ตำรวจแม้แต่เจ้าหน้าที่ส่วนนั้นส่วนนี้ถ้าผิดกฎหมายเราก็จะฟ้องร้องเราก็จะขอร้องเพราะฉะนั้นเราจะขอเชิญทนายทนายที่ตั้งใจที่อยากจะมาช่วยเราบ้างขอให้เสนอตัวมาบ้างผู้ใดเห็นว่าควรจะมาช่วยเราต้องมีต้องมีเรื่องที่จะต้องใช้ทนายแน่นอนนะเพราะฉั้นก็ขอเชิญมาร่วมมือกับเราเราจะดำเนินตามคันลองของ น, นิติรัฐนิติธรรมกันจริงๆนะเพื่อที่จะทำงานการเมืองนี้ให้เป็นโลเป็นภายให้เป็นเรื่องเป็นราวเราไม่เกี่ยงในเรื่องชีวิตของเราว่าเราจะต้องเหน็ดเหนืนะ่อยหนักหนาฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนอะไรก็แล้วแต่ลาบากลาบนอะไรก็แล้วแต่เราพอทนได้เราพอที่จะช่วยตัวเองได้แล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆนะเราจะไม่ได้มาเพื่อที่จะมาตั้งเป้าว่า ตรงนี้บอกสำคัญนะเราจะมาตั้งเป้าว่าเพื่อที่จะมาให้มันเกิดอะไรที่เป็นความรุนแรงเพื่อที่จะไปล้มไปความใครไม่แต่ฟังตรงนี้ให้ดีฟังดีๆนะตรงนี้แต่ถ้าประชาชนจะออกมาร่วมกันแสดงมวล ให้เห็นว่านี่คือคะแนนเสียงมวลนี่มีคะแนนเสียงประชาชนหนึ่งหัวหนึ่งคนหนึ่งเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงล้านคนล้านเสียงถ้าเราทำอย่างนี้แหละเรามาแสดงความมุ่งหมายว่าเราประชาชนออกมาร่วมมือกันว่าวันนี้เราจะไปยื่นแสดงความต้องการว่าเราต้องการอย่างนี้นะรัฐบาลเราต้องการอย่างนี้นะอันนั้นอันนี้ ไม่ใช่แต่รัฐบาลย่อยกว่านั้นก็ได้เราต้องการอย่างนี้นะรัฐมนตรีคนนี้เราต้องการอย่างนี้นะข้าราชการคนนี้ระบูด้วยข้าราชการนี่ก็เป็นคนสาธารณะกินเงินเดือนประชาชนเป็นผู้รับใช้ประชาชนด้วยข้าราชการนี่แหละคือนักการเมืองประจำข้าราชการนี่คือนักการเมืองประจาผู้ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองรับเงินเดือนประจา แล้วก็อยู่ประจำนะอยู่ประจาเลยช่วงไม่มีดีไม่ปรากฏหนึ่งขั้นจนห้ะหกสิบปีปวดกะเสียนก็ได้เงินบนานาญอีกคนกินเงินประชาชนแท้ๆเลยข้าราชการเนี่ยเป็นนักการเมืองประจาส่วนนักการเมืองจร น, นั้นน่ะมาสร้างอำนาจตามระบบเท่านั้นเอง น, นักาการเมืองมาเป็นครั้งคราวเรื่องตังเข้ามาเรื่องตังเข้ามานั่นน่ะเป็นครั้งคราว แต่ตัวนักการเมืองตัวประจําแท้ๆผู้รับใช้บ้านเมืองไปช่วยชีวิตตั้งแต่รับราชการจกนกระทั่งปลดเกษียณตามหลักเกณฑ์ของประเทศนั่นแหละคือนักการเมืองประจําที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนที่แท้ฟ้องได้ไล่ออกได้ประชาชนไล่ออกได้ถ้ามาชุมนุมเลยนี่พวกเราชุมนุมบอกว่าคนนี้ออกไปข้าราชการ กรมนี้กองนี้อย่างนี้ออกไปผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดออกไปเราไม่เอาได้ได้เลยตามกฎหมายไม่ใช่ว่าจะไล่ได้แต่นักการเมืองข้าราชการนี่แหละนักการเมืองตัวจริงอ่ะยาวยืนด้วยเพราะเขาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองรับเงินเดือนของประชาชนรับใช้ประชาชนอ่าเพราะงั้นเราออกมาศึกษาส่วนทางด้านธรรมะ ฝ่ายทางด้านอาตมาก็จะรับผิด ช, ชอบมาทาส่วนทางด้านทางการความรู้อื่นๆก็ขอเชิญผู้รู้ที่ตั้งใจจะมาช่วยกันแต่เราขอเขาดูแลนะเขาดูแลว่าผู้ควรไม่ควรตามตามที่เราเห็นว่าควรของเราเพราะเราเ็าจะต้องพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดที่มันจะควรจะเป็นน mm. ะเราขอย้ำลูกหลาน ชาวโศกทั้งหลายแหละที่อาตมาพอพูดได้บอกได้เพราะตอนนี้เราต้องการแรงงานเราต้องการผู้ช่วยเหลือเพราะพวกเราทํางานฟรีทํางานไม่ได้จ้างในวานเพรผู้ใดที่สมัครใจเข้ามาก็เชิญมาแสดงตัวนะมาบอกกับพวกเราคณะพวกอะไรที่คณะทํางานโดยเฉพาะทางด้านสื่อสารนี่ยังขาดอยู่มากทางด้านนี่ทางเทคนิคสื่อสารทางอะไรพวกเราเนี่ยยังขาดมารุทิพ เป็นรูปรานของชาวโศกที่เคยช่วยกันมีฝีมือมีความรู้อะไรต่างๆนานาช่วยด้วยอือนๆก็อีกไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านงานการหลายยะหลายด้านนะอยู่ที่นี่เนี่ยก็คงพอมีปฏิพารรู้ว่ามีอะไรบ้างที่จะมาช่วยได้อย่างน้อยมาช่วยเก็บช่วยกวาดยังได้เลยมีฝีมือนะชาวโศมเก็บกวาดําเป็นเล่นไหมมีฝีมือ ชาวโซงเนี่ยเก็บกวาดเพเชรชดถูมีฝีมือขนาดด็อกเตอร์ยังมีฝีมือเลยนะชาวโศงนี่ยด็อกเตอร์ยังกวาดเจ็บเก่งเลยแต่พวกคุณไม่รู้หรอกว่าเขากวาดอยู่ น, นั่นเป็นด็อกเตอร์มัง่งปริญาโทมัง่งสี่ห้าสี่แปดสี่สิบมั่งกวาดเดคุณไม่รู้หรอกชาวโศกหลายคนคุณไม่รู้จักเขาก็ทําของเขานี่ได้ของเขาทําของเขาอยู่เขาไม่มาติดป้ายบอกฉันอ่าในพันในเจ้าในพนในเจ้า อ่าสี่ห้า0ีนะจ๊ะอ่าฉันเป็นในห้างนะจ๊ะอะไรพวกเราเขาไม่ได้มาฟูดเขามาไปติดป้ายติดเบอร์หรอกพวกเราไม่ได้มา ท, ทําเช่นนั้นพวกเรามาทํางานทํางานที่คิดว่าควรจะช่วยอะไรได้คุณ <c oughs> ก็ทํากันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะเราทําอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าพวกเรานี่ไม่ได้มานั่งติดอย่างที่เขาพูด สักดีนงสักดีนาอะไรไพร่เพยอะไรนั่นก็ว่างเข้ไปของเราไม่มีของเราเป็นไปตามธรรมอยู่แล้วนะเรามีธรรมะนนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้ไปอยู่ในถ่ายของที่เขาด่ากันไปด่ากันมาเอาไพ่ด่าสักดีนาสักดีนาด่าไพร่ใจส่วนมากอาตมาเขาก็เห็นสักดีนาด่าไพร่เท่าไหร่นะแต่เห็นแต่ไพร่แต่ด่าสักดีนาแล้วเสร็จแล้วไพ่มันกระดันไปเป็นสักดีนาซะเองอะไรเงี้ยอาตมาก็เลย งงๆอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่ของมันในโมเลบบอสระอะอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรของมันกันแน่นะาะอาระสำรบันนี้นะอาตมาจะต้องจบลงในภายในหกโมงครึ่งนี้เดี๋ยวก็จะมีผู้ใหญ่มีคนที่ควรจะได้มาพบยิ่งกว่าอาตมาซะอีกนะก็เดี๋ยวจะได้มากันนะเพราะงั้นอาตมาก็ขอสรุปลงท้ายอีก สีหนาทีนี้ว่าจริงๆแล้วอาตมานี่นะขอพูดขออภัยที่ต้องพูดเรื่องส่วนตัวอาตมาออกมาทํางานเนี่ยตั้งแต่อาตมาออกมาบวชอายุสาสบหตอนนี้ก็ย่างแปดสิบนะหลายคนก็บอกว่ า, าไม่เชื่ออายุแปดสิบก็ไม่เป็นไรหมอเพิ่งไปตรวจมาทางหัวใจหมอก็บอกว่าอาตมานี่อายุสิบปด อทําเป็นหัวล้อยเล่นนะเจ่งหมอบอกกันจริงๆอาตมาไปตรวจนี่หัวใจเลยเขาเช็คสุดท้ายเลยที่โรงพยาบาลพรบรรุงราชเนี่ยอาจอาตจะมาทำจริงๆเลยโอ้โหต้องออกกำลังกายต้องเดินสายั้องอะไวัดเครื่องไม้เครื่องมือของเขาราคาแพงนะของโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลพรบรรุงราชน ะ, ะหมอเขามาดูแลเขาก็ดูหมดแล้วนี่ก็มีเครื่องมือเดี๋ยวนี้โอ้โหเหตุหมดเลยนะเนี่ยมาสูบฉีดอย่างก้นอย่างนี้อะไรต่างๆ น, น, ๆ น, น, ๆนาๆนะอ่า เขาวัดอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่ลงมือออกกําลังกายหัวใจทํางานอย่างไรแค่ไหนเขาก็มีไว้เสร็จแล้วอาตมาก็ออกกําลังกายเขาก็วัดหัวใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายออกกําลังกายไปจนกระทั่งห up, ให้หอบให้เหนื่อยเสร็จแล้วก็วัดเขาก็ามีเวลาเท่านั้นนาะทีเท่านี้เวลาเท่านี้นาทีนาทีแล้วเขาก็วัดว่ากําลังกายที่หัวใจของอาตมา จ, จะทํางานแค่ไหนอ ย, อย่างไรเขาก็วัดได้บอก โอ้โหเทียบกับหัวใจตอนเริ่มต้นกับหัวใจตอนนี้มาทาํางานยังไงเขาบอกแมกพอทนเนี่ยทักเราอายสิบแปดอาตมาก็บอกเฮ้ย hey, อาตมาอายุย่างแปดสิบนะไม่ใช่สิบแปดนะเขาบอกเล่าครับเขาบอกเขาไม่รู้อาตมาแปดสิบป่ะนะเขาก็บอกเล่าอาตมาบอกจริงอาตมานี่แปดสิบย่างเจ็ดสิบเก้าเต็มแล้วย่างแปดสิบแล้ว โอ้โหหลวงพ่อที่แปจริงๆก็เครื่องมันบอกครับผมมีสถิติเขามีทั้งกราบด้วยดูทั้งกราบทั้งทั้งดูที่ความเคลื่อนไหวของภาพภาพเคลื่อนไหวก็ดูหมดเขาก็บอกโอ้โหอัตามาก็บอกเอออาจจะจริงเพราะว่าอัตมาพยายามแล้วก็มันก็เป็นจริงเท่าที่อัตามามทําได้เอาละอันนั่นก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่ฟังเล่นๆเนาะไม่ได้มาคุยโมคุยเมอืออะไรหรอก อาตมาตั้งแต่สามสิบปอมาบวชแล้วเนี่ยอาตมาก็สละตัวตัวเองจริงๆมาทํางานเพื่อสังคมมนุษยชาติไม่ได้มาตั้งใจที่จะมาทํางานเพื่อล่าลาบยศชนเซโนกีสุขอะไรก็ยืนยันได้สี่สิบกว่าปีผ่านมาเนี่ยอาตมาไม่ได้มีน า, าทีอย่างจะทําอย่างนั้นมีแต่เสียสละพาลูกๆูกหรือพาพวกที่มาปฏิบัติทำตามมาจากกนกระทั่งเป็นก่อเป็นกรรมเป็นหมู่ชนชาวประโศกขึ้นมาจนทุกวันนี้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ย อ๋อก็มาพาทําจนมันเกิดเป็นพฤติกรรมอง์รวมเป็นพฤติกรรมที่เป็นกลุ่มเป็นหมูงมีพฤติภาพที่เห็นได้ว่าอ้อชาวโศกเป็นอย่างนี้มันมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นพูดที่รู้จักชาวโศกได้สังเกตได้ดูว่าอ้อชาวโศกเป็นคนเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้เช่ น, น, ชนใดก็คุณก็รู้เองอ่ะคนไม่เชื่อน้ำหน้าเลยก็มีะไม่เชื่อเลยยังไงก็ไม่เชื่อนอกจากไม่เชื่อแล้วยัง หาว่าเป็นคนบาบา บ, าบา่เป็นคนจะมาทำร้ายสังคมด้วยมีแต่คนที่เขาเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเขาเข้าใจว่าเออดีใช้ได้อะไรก็มีะอย่างนี้เป็นต้นอัตมาไม่ตัดสินหรอกอัตมาไม่ใช่จํไปจเป็นจะต้องไปตัดสินมันเป็นจริงที่ตัวบุคคลใครจะเห็นดีก็ดีใครไม่เห็นดีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงใจของเราคือเราไม่ได้ปรารถนาร้ายต่อมนุษยชาติ จริงๆเลยถ้าที่เรามีความรู้และมีความจริงใจเราทํางานหวังความรู้ว่าอย่างนี้เป็นปัตนาดีต่อสังคมทําให้สังคมเราไม่ได้มาเอาอะไราจากสังคมหลักเกณฑ์ข้ออาตมานั้นมีอยู่สี่ข้อหนึ่งไม่เป็นหนี้อาตมาพาพวกเรานี่มาทําทําตนเองและทําคณะอย่าเป็นหนี้เพราะฉะนั้นชุมชนชาวโศกทุกชุมชนไม่มีชุมชนไหนเป็นหนี้ ชุมชนนะเรื่องส่วนตัวย่อยๆอีกบ้างมีบ้างแต่ส่วนตัวบุคคลของชาวโศกจริงก็ทุกคนไม่พยายามมีหนี้ปลดหนี้ให้หมดพอปลดหนี้ให้หมดแล้วก็ถึงจะรู้สึกว่าโอนี่ถูกต้องธรรมะเพราะธรรมะที่เป็นหนี้เนี่ย ม, มันมันมันทุกพระพุทธเจ้าก็ตัดสอนไว้เลยความเป็นเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์อย่างยิ่งทุกข์มากมายอาตมาไ ม, ไม่ไม่พูดถึงรายละเอียดจนจะหมดเวลาแล้วสอง พึ่งตนเองให้รอดทํางานหนึ่งไม่เป็นหนี้สองพึ่งตนเองให้รอดแล้วทํางานทําการทํางานมีสมรรถนะมีสมรรถภาพก็ทํางานที่สุจริญอนาบัตชะงานที่ไม่ไม่มีใครมีผู้รู้ไม่ท้วงไม่ได้ว่าเป็นงานเป็นงานอบายยมุกเป็นงานมองเมาเป็นงานไร้สาระไม่เป็นงานที่มีคุณค่านะทำงานแล้วก็พึ่งแรงงานของตนเองพึ่งตนเองรอดคุ้มตัวเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร สามทำให้ส่วนเกินส่วนเหลือทำให้มากเกินที่เรากินเราใช้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานพึ่งตนเองรอดเหลือเกินกินเกินใช้สบายแลลวสี่แจกส่วนเกินส่วนเหลือนั้นแจกสงเคราะห์ผู้อื่นนี่คือสี่หลักตายตัวที่อาตมาพาทั แล้วพวกเราก็ทำได้พอสมควรจะว่าดีก็ยังไม่ดีนะักแต่ว่าพอดูรูปร่างนี่ได้ทุกวันนี้อาตมายังภาคภูมิใจว่าอาตมาสำเร็จข้อที่หนึ่งและสองสามก็ยังพอเป็นไปสี่ก็พอเป็นไปแต่หนึ่งกับสอในชาติหนึ่งไม่เป็นหนี้ชุมชนของกระโสพไม่เป็นหนี้สักแห่งไม่เป็นหนี้ธนาคารโดยเฉพาะธนาคารไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้คนข้างนอกใดๆ พึ่งตนเองรอดไม่ไม่ต้องไปกู้ยืมใครไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครสามมีส่วนเกินมีส่วนเกินจริงๆไม่มากไม่น้อยก็พอเป็นไปเพราะฉะนั้นเราก็ดํำดิ่กันอยู่ว่าเนี่ยเรามาชุมนุมกันอยู่ที่นี้เนี่ยเราเปิดตลาดอธิญาผ่านไปวันที่สิบสองโอ้โหดีอีกเราก็ทําดีมาแต่ไหนได้แล้วเปิดตลาดอริญาเราทํามาตั้งสามสิกว่าปีแล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะเปิดตลาดอริญาที่นี่อีกดีไหม แต่มันเกี่ยวกับทุนนะจ๊ะมันจะไหวไม่เอ่ยไหวอยู่ที่คุณพูดคุณเอามาเมื้อกี้อ้ค่ไปไม่พูดอันนี้ลบๆบลบ ล, บลบไม่พูดอ น, นนี้มันคือเราเองนี่เราอยากทําเต็มที่นะแต่ทีนี้เราคืออโศดไม่ได้มาปิดบังนะพวกเรามาจนกันจริงๆเราไม่ได้สะสมเราไม่ได้เอาเปรียบไอ้ทุจริตโกงเกินเะนี่ยเราไม่เอาอยู่แล้วแม้เอาเปรียบเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเรามาขาดทุนให้สังคม แล้วมันจะไปรวยได้ยังไงสองนอกจากขาดทุนในสังคมแล้วไม่สะสมอีกตั้งหากปัโทโธไม่จนเมื่อนี้จะไปจนเมื่อไหร่ทุกคนนะนอกจากยังไม่สะสมไ ม, ไม่ไม่เอาเปรียบสังคมขาดทุนแล้วยังไม่สะสมอีกเพราะฉะนั้นเรามีน้อยคงครั้งเราก็มีน้อยเงินหมุนเราก็มีน้อยเพราะงั้นเราก็จะถามคิดว่าก็เลยคุยกันอยู่เพิ่งคุยกันไปยยโยงโยงเมื่อกี้นี้ผ่านไปอตาตมาเพิ่งมาเพิ่งมาร่วมคุยกันกับคณะ เราก็คิดว่าสักเดือนละสองครั้งดีไหมเออก็คิดว่านะเดี๋ยวคุยกันก่อนนะอยเพิ่งอยเพิ่งอุ๊บนะอย่าเพิ่งอุบว่ามีจริงนะเพราะว่าเราเพิ่งพูดกันไงสักเดือนละสองครั้งเอาวันพระใหญ่ไม่เอาเอาวันอาทิตย์เดือนหนึ่งมีสองอาทิตย์ก็เอาเดือนหนึ่งสองครั้งสองอาทิตย์อาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์เว้นอาทิตย์กันแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะ ถ้าเป็นไปได้ก็คิดว่าจะทําอันนี้อีกอันหนึง่งนะจะทําอันนี้อีกอันหนึง่งเป็นพาณิชย์บุญนิยมซึ่งเราจริงใจนะ่าเราจะทําได้หรือไม่ได้ก็คอยดูกันต่อไปนะเราไม่บอกวิธีอะไรอื่นเราก็พยายามช่วยตัวเองนี่แหละนะคนอื่นจะมาร่วมไม้ร่วมมือบ้างก็ไม่ว่ากันนะเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าเราไม่อยู่ในวิธีของโลกเขาที่จะต้องมาปะเล่าปโรมจะต้องมาเรี่ยอะไรจะต้องมาบอกบุญอะไรอะไรหนักเกลียดเราไม่เอา ถ้าเราจะเอาตัวจริงของเราและมีผู้ที่มีปัญญารู้ว่าควรร่วมมือก็มาก็มาช่วยกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะทําไปนอกนั้นก็อย่างที่กล่าวไปแล้วพูดไปแล้วสําหรับวันนี้อาจจะมาหมดเวลาแล้วก็ขอจบลงไปดือ้อเผลอนิดเดียวเลยไป30สิกว่านาทีแล้วโอ้ยเลยเวลาเข้าไม่ดีนะอ้า ข, ขอจบข้ออัตมาเอาเอาวัง